ยี่สิบสั่วเนี่ยพรงนี้ก็ลำยากเลยนะที่สุรู้ว่าไม่ดูร้อนเหลืออยู่หนึ่งเดือนคืนสลายหาผ้าอาบน้ําฝนได้รู้ว่าไม่ดูร้อนเหลืออยู่กึเดือนคืนทำนุ่งได้ถ้าที่สุรู้ว่าไม่ดูร้อนเหลืออยู่เกินกว่าหนึ่งเดือนคืนสลายหาผ้าอาบน้ําฝน ดูว่ดูร้เหลืออยู่เกินกว่าถึงเดือนพึงทํานุ่งต้องอาบบปาจิตตีที่มีการเสียรสละเป็นวิดัยกรรมเข็แห่งผ้าอานน้ำฝนมีสีหนึ่งเข็สวงหาผ้าสองเข็กระทาสามเขนุ่งสี่เข็มอีสาน 4, ตั้งแต่วันแรงมาแรงครั้หนึ่งค่ำเดือนเดถึงวันเพ็นเดือนสิบสองเป็นเขตสวายหาธาตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนแปถึงวันเป็นเดือนสิสองเป็นเขตกระทำแล่นุ่งตั้งแต่วันแรงหนึ่งค่ำเดือนแปถึงวันเป็นเดือนสิบสองเป็นเขตอธิษา แต่ไม่ใช่ว่าได้ผ้ามาตั้งแต่วันแ ร, รนกนนหนึ่งค่ำเดือนแปดอาติฐานในวันใดก็ได้ในสีน่เดือนนี้ต้องอาิิฐานก่อนที่จะเกินสิบวันตั้งแต่วันที่ได้มาไม่ได้อธิบายรวมถึงปีที่มีอธิธมามนี้เขาจะอธิบายกันนะคือเขนในการสวายหาผ้าั้นงฝน ก็สมัยก่อนที่สูดอน้าฝนกลางแจ้งนั่นเครับน้ำฝนจริงเลยก็เลยต้องใช้ถ่านน้ำฝนนะเพื่อม่ให้ป่วยกายนะครับทีนี้ถ่านน้ำฝนเนี่ยจะสมัยหาได้แต่ตอนไหนนะครับฤดูร้อนหรืออยู่หนึ่งเดือนเราควสมัยหาถ่านน้าฝนถ้าใครเอาใบนี้มมาแล้นก็จะเห็นนะครับเราในฤดูร้อนคือสีอะไรสีชมพูนะครับถ้าตามไปย <c oughs> ุ้งยิ้งคู ในจุดสุด้าของเรืองดูร้องคือเรื่องร้องครึ่งหลังของเดือนที่เจ็ดใช่ไหมแล้วก็ครึ่งแรกของเดือนที่แปดใช่ไหมครับคือเดือนสุดท้ายของเรื่องดูร้อนครับท่านก็เลยบอกว่าตั้งแต่วันแรกหนึ่งค่ำเดือนเจ็ดเห็นไหมครับแรกหนึ่งค่มเดือนเจ็ดก็คืครึ่งหลังแล้วเนี่ยนะไปถึงนี่เลยครับนี่นะครับในเดือนสุดท้าของเรืองดูร้องเนี่ยเป็นเฉดสวยหาผ้าน้ําฝนเราสามารถสมัยหาได้เลย ปัญหาได้จากใครครับจากญาติหรือภรรนาหรือคนที่ไม่ใช่ญาติภรรนานก็ตามแต่เขาเคยขมามันเป็นประจำครับเวลาก็สามารถบอกเขาได้แต่ถ้าเป็นญาติภรรนานเราก็ขอได้เลยนะอาโยมโยมพ่อโยอมแม่โยมพี่ก็ว่างไปครับอัตมาตาหาหาา้องการข้ามโนับก็บอกเลยนี่ปัญหาย อ, อยอมมู่ตรงไห แตว่าถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวนาเป็นคนอื่นแต่เขาเคยถวายอยู่ประจํานะครับทุกปีอย่างเนี้นะเราก็บอกเขาได้เหมือนกันถ้าจะว่าเกลื่อนสตินะครับบอกโยมถึงเวลาถวายผ้าถึงเวลาผ่าน้ำฝนแล้วนะชาวบ้านอืก็ถวายกันแล้วได้เวลาผ่าน้ำฝนแล้วนี่ครับเนี่ยเกือนสติคเขาจะไปขอเลยไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ใช่ยามส่วนน่ะแต่เกลื่อนสติได้นะครับถ้าเป็นญาติเนี่ยเกลื่อนสติก็ได้ขอเลยก็ได้ แต่ถ้าไม่ใช่ยาไม่ใช่โกนาเขาถวายประจําแค่เนี้ยนะอันนี้เป็นสติได้เดียวนะครับนะครับแล้วก็ง่าย น, นะเราสบายหาก็ได้ทําก็ไ ด, ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่ามานุ่งหองไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เขียนเขาเนะ้ทีนี้รู้ว่ามัาดูร้อนเหลืออยู่กึ่งเดือนอไมไีทําน่งรับถ้ามัาดูร้อนเหลือกึ่งเดือนก็คืออะไรครึ่งแรกของเดือนแปดนะครับอาจารย์ก็บอกว่ า, วาตั้งแต่วัน ขึ้นหนึ่งา่อมูแปใช่ 8, ไหมนะครับตรงนี้นะครับขึ้นแค่ น, น, น, น, นั้นเอรขึ้นแรกขึ้นแรกของเรือแป้นะครับเป็นขึ้นขึ้นเรือสุดท้ายของเรืร้อนนะสามารถนุผมได้แล้วคือถ้าผ้านะผมเขาบอกว่าอ่าพอเราเย็บอะไรเรื่มร้อนแล้วนะครับแค่ยอ้อมพร้อยเสียสีก็ใช้ได้แเนีะมันจบเป็นสีด่างๆหลายๆมากเป็นไรถ้าย้อมไม่เสียสีเนดะียผ้านาผม น, นั่นไม่ก็มีอะไรมากนะครับไม่ต้องเป็นขันเป็นอะไรก็ได้เป็นไ ใช้ได้นะเขนี่นะครับสามากที่จะนุ่ม ไ, ได้แล้วแต่ก็อยา่าพิถานไม่ได้นะจะพิถานเลตั้งแต่มันเข้าไปนสามมันแรกนะครับจะพิฐานเป็นผ้าผลังฝนหน้ากคือจะพรอบในสี่เตลู้ดูฝนเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้ก็จะพิถานเป็นผ้าผลังฝนไม่ได้เพราะไม่ใช่เขนของพขาที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราไมา่พิฐานแล้วก็อย่าทำเล <c oughs> ตั้งแต่อะไรนะในสุดท้ายผมนึครับ ไมกเก่เป็นอาบันะเราเกณฑ์เ่าเกิดสุข ก, ก็ไมกกันป็นอาบัติเพอาะเป็นเวลาสวยายหาทานน้ำฝนของแลครับนนี้แต่ว่าถ้าผมว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่ง เ, เรือสุดท้ายของดูร้องเลยเนี่ยเราไปสวัยหาเก่อนนะชครับสวยายหาเกาะนหน้าหน้าก่อนที่ยจะถึงเหือสุดท้ายของลูกน้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไม่ติเทียบปังจริงๆนะครับวันี้หรือว่ายังไม่ถึงครึ่งหลังนะครับเ น, นี่ยยังไม่ถึงอะไรนะ กลิ่นเบียรสุดท้ายทำมันดูร้องนะครับเราไปนุ่งห่มก่อนสมาธหาแล้วอย่าเพิ่งนุ่งห่มนะครับเราไปนุ่งห่มก่อนเวลานวนเน่ะก็จะชอบมันสเกียไปจี๊ดตัวนะครับเพราะที่นี่ก็จะมีแบบไปจี๊ดสองตัวแต่ว่าถ้าเป็นในเขตของสีหรือมัดูฝนนะอันนี้ได้หมดนะครับจะสมาธิหาจะนุ่งห่มจะทำอะไรนะครับนั้นนะครับไม่มีปัญหาอธิษฐานก็ได้ทีนี้สมมว่าเราสมาธิหาใช่ไหม และก็ความเป็นจริงฐานมันรียร้อยแล้วนะครับเราก็สร้างเก็บไว้เรียบร้อยนะเราไปที่ฐานมันเข้ามืสาพอเข้ามือสาปุ๊มนะครับเราเข้าที่ฐานภายในสิบวันเร า, าภายในสิบวันเนี่ยนะพราะถ้าไม่ยอาายากที่ฐานเกินสิบวันไปเนี่ยก็จะต้องแบบวิจิตไปเรียนศิขาบ น, นี้รอาจารย์เขาเลยบอกว่าไม่ใช่ว่าเอ้าบอกว่าสีเนื้อดูผลเนี่ยเป็นเขตของการที่ฐ า, านใช่ เราจะไปทิหาวันไหนก็ได้ในเดือนธันวาคนี้แหละอย่างนี้ไม่ได้ราต้องนํอมตั้งแต่วันแรกเลยนะอย่าให้เกินสิบวัครับทำไมเข้าในเขตแล้วนะทิหาในสิบวันขอาษณะนี้นก็ไม่มีนนอัไโอเล่มสุดท้ยนะเลมสุดเ้ายนะครับที่มีได้มากที่สุดคืออนะไร ภาากูนะอ๋อ้ากูนอนเยอะมากแล้วก็อันนี้แหละอะไรนะบริหานโจมเขานี่ครับข้านครก็สุดเดียวที่เรามาึงต้นมรรยั่งว่ามาจากใครต้นบรรยั่งเนี่ยมาจากพิสุทธวัคคีครับโดยสมัยนัก่เมพภาชเจ้าประทัาอยู่หน้าพระเจดวันอาราของสถารบริกาชานปฏิเขตทระนครสามฤาษีครั้งนั้นก็จะประกาศพระิมพภาชเจ้า สองนิยาผ่าน้ำฝนแก่จินทหาที่นามิสหาหามาทูลขอนชครับุูลขอพอรสวายผ่าน้ำฝนนะผรูโจ๊ก็สอนนิยานล้วนะครับพระเมบะคีนะพระเจมบะคีสารางวาพุทธภาพท้าสองนิยาผ่าน้ำฝนแล้วจีนสวางหาจีวอนคือผ้าน้ำฝนเสียก่อนมากอีกแล้วอุนสว่างหาก่อนที่จะถึงหน้าฝนอนหน้าเลยนะครับไมกี่เดือนแนะ ทำแนละ้วนุ่งเสียก่องบ้านข้างทางนะ้าฝนกะลับแล้วก็ใช้เป็นองินสดนะครับพอมาถึงหน้าอนจริงเนะี่ยก็ไม่มีแนะ mm hmm. ้างนะ ท, ทางฝนใช้แล้วถ้าเขาทำยังไงเขาปวยกักยนน้าฝนเลยครับนี่นะม่นา น, นที่สุดนะคัู่มั่งน้อยแล้วก็เพ่งผลิตเรียงพุทนาและก็การคนจ้ากของสร้างผโดยก็บุตชสองกองอบขาสองิดเตียงที่สุดหลน้และก็เรียากาศแบบนี้ขึ้นมา วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับในคันสืงขอความเจริญ ง, งอกหามปันน้นหล่อพิรุษศาสนาจงมีแต่ทุนมหาอายุตามทุกท่านเถิ เข้าเดือนแปดถึงวันพิมลสิบสองอันนี้เป็นแขนกระทํำแม่นุ่งก็ได้แก่ขึ้นเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนนะครับขึ้นในสุดท้ายของฤดูร้อนนะแล้วก็กลับอีกสี่เดืนเอนในฤดูฝนมันก็เลยไปถึงวันพีมลสิบสองเลยลอยกระทงนะครับอันนี้นะเมื่อเราแสดงหาได้นะสามารถกระทําแล้วก็มนุ่งผมหด้นะครับมนุษย์ผมได้เลยแต่ยัง นะคร้บนุผมได้นะครับอันนี้นะ <c oughs> ทีนี้มันก็จะได้เท่าไหร่ก็จะได้สี่เดือนขึ้นนะครับสี่เดือนอยู่ฝนนะแล้วก็อีกครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนหาเยเร็วร้อนทีนี้ตั้งแต่วันแรงหนึ่งข้าว <c oughs> เดือนแก็คือเข้านะขา <c oughs> ข้าวข้า อ, อ, อะไรนะข้าวอยู่ฝนนะครับ <c oughs> แรงหนึ่งข้าวเดือนแปคือข้าอยู่ฝนนะ จนถึงวันเป็นที่สองเป็นแขกที่ฐานก็ได้แกะสีเดียวในดูฝนเป็นแขกที่ฐานคือในดูฝนใช่ใช่ครับไม่ได้หมายความว่าจะที่ฐานวันไหนก็ได้นะคือได้ผ้ามันตั้งแต่วันไหนในเขียหรือดูฝนใช่ครับที่เราทําเป็นผ้านั้นฝนเสร็จแล้วนะก็ต้องที่ฐานภายในสิบวันนั้นครบับเกินนั้นไม่ได้ถ้าเกินเกินสิบวันก็เป็นอาบเพราะแขกที่อย่างวันเกินสิบวัน มันีปัญหาเรื่องอะไรนครับนี่นะเป็ น, นี้ครัจะได้รู้ไว้นะถ้าก่อนหน้านั้นอธิษฐานไม่ได้นะครับอันที่ว่าใช้ดูรอด้อนหนึ่งเดือนก็ดีใช่ไหม น, นะครับเครื่องเดือดใช้ ด, ดูรอด้อนพอดีอันนี้อยากอธิษฐานไม่ได้พราผ่าย้องฝนท่านจะอ น, นุญาตอธิษฐานกับพ่อเลยด้วอดูฝนใช่ไหมครับต่อนหน้นนัน้นเขาได้แกะ ไ, ได้แกะสมัยหาท่านที่สมัยหาด่างมาได้อะไรนะนะครับ เราตักเก็บเอาไว้นะยังไม่ต้องพิจารยังไม่ต้องมีกลับก็ไม่ต้องอาบนะครับเพราเก็บในใจจริงว่าเกิดจริบไปไอืขอ ม, มขึ้นมีนึงนะท<ร>ีนี้เมื่อวานเนี่ยไม่ดีสิไม่ดีเลยนะไ <Youtuber. S 1> ม่ดีนะไม่ไปเปไรนะครับต้องลองวันหละนะังนะทีนี้ก็กลับมานในขาหน้าขาหน้าที่ร้อยสี่สอง วันนี้จนได้หลายข้อเนี่ยสองสามข้อได้ได้นะครับวันนี้ก็ได้ข้อสอบวันใดวันในนี้ก็า ม, ม, ออม า, อ า, า, าลองมาเลยวันนทำเป็นแตกให้ลอง นี้รามาดูว่าเปิดเปนในกลาขาหน้าหนึ่งร้อยสิบสอเมื่อวานน้าต้นมันหยางก็ได้วาดไปแล้วใะไมครับว่ามาจากใครคือมาจากเนษตรกรอะไรที่วาดสัยแามผ่านน้ำฝตลอดเวลาเยอะใชไครับแล้วก็มองดูมองผมันใช้จนผ้าเก่าล้วนละพอถึงหน้าฝนจริงๆน่ยก็ไม่มีใช้นะครับแกก็เลยป่วยการอัลตร้าพรินท์เนี่ยแล้วก็ต้นมันหยางของสิขาบทนี้ครับนี้มาดูผอธิบาย ข้อที่สี่นะครับอธิบายวสิกาสาธิกาสิ้าหมดสิ้าหมดที่ว่าด้วยข่านักพรงำเพรื่ราบอธิบายสิขาหมดที่สี่ต่อไปคาว่ามาโสเสโสคิหานังิานันตินะครับแปลว่าหนึ่งเดือนสุดท้ายหนึ่งเดือนนะครับแขอยู่เดือนที่เหลือนะแข็งอยู่ร้อนความว่าเหลือเดือนสุดท้าแข่งเดือนนั่นกดูร้อสี่เดือน ก็เลือสุดท้ายยนที่สี่ะนะคําำว่าบริเนศิตกำพังความว่าที่สุดจะแสวงหาแม้ด้วยการขอว่าเนี่ยสะหาได้แ้นะครับสุดท้ายคอัท่านจงให้พระนุษย์ผมแก่พะจ้าจากที่ปรมานาสูงสงและจักญาติและคนปรมานาสงตนอันนี้ได้ไรเลได้ ของสองของสนก็แย่เนี่ยช่วยปัญหาสามารถบอกว่าขอเรศงเลยด้วยการเปลียนสติเป็นต้นว่านี่เป็นเนนลวลาถึงขั้นน้ำฝนได้ตั้งแต่มันแรกของมีงดนาคเนี้เราจะขออะไรก็ได้ยากตอนนั้นนะหรือจะไม่ขอก็ได้แค่เป็นการเปลียนสติใจก็ได้นะครับมาย้อมเวลานี้นะได้เวลาถึงขันน้ำฝนแล้ว เอาบ้านท่อถวายผ่านนุ่งของแนกมาดีนะคือการเกี่ยนสตินี้่ไดะแต่ถ้าคนไมใช้ยางไม่ใช่ปอนะเป็นสติไม่ได้นะแต่จะเกี่ยนแรกในกรณ์ที่คนนั้นเขาเคยไหวมาจำทุก ป, ปีนะครับหรือแม้ไม่ใช่ยางไม่ใช่ปองนะก็เกี่ยนสได้นี่ น, นะครับเนี่ยถ้าบอกว่าตั้งแต่วันแรกของเดือนสุดท้ายหรืองดูร้อนจนถึงวนนันสุดท้ายของเดือนกิดกา ก, ก, ก, ก็ได้แก่วันแรงสิบห้าข้าเดือนสิ อันนด้จขึ้นขนะึ 45, 25, 25. ้นห้าตั้งสิบสองมันก็ได้แค่สี่เหลืออยู่ฝนนี่ใช่ไหมไม่ใช่แรง ม, ม, มันขึ้นนะครับมันมันมขึ้นมันไปนสิบสองไปถึงมันเพสสองครับเพราะฉะนั้นมันจะเกินได่ดูฝมาแล้วนะเขาไม่ดูลแลนะครับ เมื่อเตือนสติคนที่ไม่ใช่ญาณและปรมานาต้องมำบัทุกคนเพราะธรรมะที่เสียไปในประเทศ น, นะไม่ใช่ญาณไม่ใช่ปรมานาอะไรหรือไม่ใช่คนที่เคยถวายเลยนะเราไปเตือนสติเข้านี่ก็มีการสร้งบำบัทุกคนเพราะว่าธรรมะเสียไปเมื่อขออะไรนะโดยวิธีการอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าขอท่านจงให้แก่ธารมะบ่อยนี้เลยนะครับ ก็บรรลุศักยปาจิตติตามอัญญ า, าตตบินยติสิขาบทสิขาบทที่ว่าด้วยเหงาะนะสิขาบทที่ทําให้ต้องอาบัตเพราะการขอจีวรกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติม่ช่โสดนะเราจําได้อามบัตนี้หนูนครั้งที่มันเป็นสมัยใช่ไหมสมัยที่จะขอได้แล้วแต่เราก็เป็นขอกับคนที่ไม่ใช่ญาติม่ใช่โนะก็ไม่ได้เหงาะมันจะต้ตองบนะัตเข้านี่ยนะ ต่อไปนะครับเวลาเจ็ดห้านะฝนกัตวาทิวาเสตทำแปลว่าจะทําแล้วถึงหกความว่าระยะเวลาตั้งแต่วันแรกของกึ่งเดือ น, นครับอันนี้ของกึ่งเดือนนั่นต้องหมายวามว่ากึง่งว่าขึ้นก็ไปนะครับวันแรกของกึ่งเดือนสุดท้ายในฤดูร้อนจนถึงวันสุดท้ายของเดือนพฤกติกายนก็คือถึงวันที่ในสิบสองนะครับนั่นแหละ ผ้าหนังขนที่พิสูจน์ทำด้วยการเย็บเสร็จด้วยการย้อมเพียงครั้งเดียวเพื่อทาลายสีผมว่าการ ย, ย้อมของสีสีอนี่ยก็ใช้ยากนะครับสำหรับผ่าหนังขนแรกด้วยการทากับปากปีกูแล้วเพิ่งใช้นุ่มผมด้วยค า, ามีประมาณเท่านี้ย่อเป็นอันแสดงเนื้อความดังนี้ว่าเดือนสุดท้ายของฤดูรอ้อนเป็นแขกในการสมัยภาผ ก็รู้ว่าสมัยหายยังงใช่ไหมไก่ย่างปอนะขอได้เลยหรือเกิดสติก็ได้ถ้าไม่ใช่ย่างไม่ใช่ปอนะแต่ว่าเคยถวายประจําอันนี้เกิดสติได้อย่าเดียวแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับทั้งสองอย่างไม่ใช่เลยอันนี้ขอไม่ได้เลยเกสติก็ไม่ได้ต่อไปนะครับหันนี้ต่อไปเครื่องเดือนหลังนะของรื่ออยู่ร้อน เป็นเหตแห่งการทําและนำมานุ่นได้นะจิตคือการกระทําอันนี้ทำได้นะตอนแรกใส่ใจอยู่ดีใช่ไหมแต่พอขึ้นไปสุดท้า ย, ยาู่นร้อนเอามาทําแล้วก็นุ่มผมไม่เลยไม่นะันะนุ่มไม่เลยนะยังไม่ต้องมิฐานเป็นผ้าหนังฝนแล้วก็มานุ่มนี่เลยนะ่านั้แนแหละต่อไปจิตคือการกระทําการนุ่มการอธิษฐานแม้ทั้งหมด ยอมควรตลอดสี่เดือนนั้นดูผลนี่ปัญหานะครับเรื่องดผลที่ทำไม่ทั้งยันนะสมัยหาก็ได้ทําก็ได้นุ่งก็ได้นะครับิฐฐานได้ทั้งหมดเพราะเป็นเขียงเขาแล้วพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตในสุดท้ายของเดูร้อนนี้ไว้นี้ใดไว้นะครับในเดือนนั้นจะทิฐิฐานถ้าอ่านนัผลที่ทำและสมัยหาแล้วไม่ได้ไหนสุดท้ายเนี่ยมันได้ในสมัยหาจริงๆนะครับ จาที่ถามไม่ได้แม้จะทําอะไรเรียบร้อยแล้วนะนก็ยังที่ถามไม่ได้ยิ่งไม่ใช่น่าฝนนะครับท่านเคยบอกว่าทําไม่ได้ อ, อถ้าอะไรเดือนนั้นไปเขาเลื่อนฤดูฝนออกไปนำเอาเดือนแรกของฤดูฝนไปเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนในปีที่เมีอาทิตย์กุมารนะใช่ไหมครับธรรมนานฤดูร้อนเนี่ยมันก็มีแค่สี่เดือนใช่ไหม เด enfin yes. ือนสุดท้ายของฤดูร้อนนะครับหมดไปแล้วนะมันก็จะเข้าฤดูฝนคือเข้าหน้าทันศานะครับแต่ฤดูฝนน่ะท่านยังไม่เข้าเข้าก่อนเดือนแรกของฤดูฝนน่ะมาเรื่อนเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนอีกเดือนหนึ่ะครับเนี่ยให้ทําอีกเดือนนะครับเมื่อมันอีกเดือนหนึ่งฤดูร้อนเพราะนั้นเปยนฤดูร้อนจะมีเจ็ดเดือนแหละมีห้าเดือนฤดูทาวน์อันนั้นะไอสองเดือนเนี่ยไอสองเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนแหลนะครับสามไม่ถวายหาค้าได้เลยนะ าพาได้เยเนี่ยครับน่าบอกว่าพื้นสูนั้นย่อมได้สิทธิอีกหนึ่งเดืนะครับได้สิทธิในการที่จะสมัยหาผ้าเมื่อฝนเริ่กมาทำใช่โดยที่ไม่ต้องอิงทฉาอะไรนะแต่ว่าถ้าจะามานุ่ห่มเนี่ยยังไงก็ต้องทำกัะปะาพิทุ ก, อก่อนนะครับ มอกว่าก็ทั้งทั้นตั้งเก็บไว้แล้วควรศีรษาในวันเข้าพึรษาใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้ทําำกอลืงก็ดีนะถ้าไม่พอก็ดีย่อมได้สิทธินะอีกหกเดือนนะครคือสองเดือนนั้นและสี่เดือนอีก่ิดดูฝนในปีที่มีกยนทีากำมาถ้านะบอกว่าถ้าเราสมหวังหาผ้ า, าได้มาแล้วเไหมในเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนหรือว่า2เดือนสุดท้ายเนะี่ยต้องก็ ลืมดูฝนออกไปใี่ไหมครับเราสมัครหาอะไรไดมาเสร็จแล้วนะครับลืมทํานะเข้าไปในเขียนภาษาแล้วนะครับไม่อยากทาไม่เสร็จก็อยากทิ้งแทนข้าน้นังฝนไม่ได้นะถ้ายังทําให้เสร็จหรือว่ายังไม่ได้ทำนะครับถ้าบอกว่าหนึ่งก็ดีใช่ไหมหรือว่าท้าไม่พอไม่ขอที่จะทำข้าวหนังฝนนะเราต้องสามากนะครับที่จะเก็บไม่ได้อีกงเดียวคือดูฝนนะครับโดยที่ไม่ต้องทิ้งแทนไม่ต้องมีกฤตอะไรนะสามากเก็บไม่ได้รอนะ ทำนะคะรับก็รีบทําหรือว่ารา้อยท่าพอแล้วก็พอทาไม่เสร็จแล้วก็อดีตขานเลยนะครับเพราะว่ า, วาเข้าในโขดไม่มีของแล้วนะเออแต่ถ้าได้กลางกับหินในเดียงกัติกาย่อมได้จิตที่ตลอดสี่เดือนดีเลยครับนะแต่วนะ่าไม่ได้ทำบางทีเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ทำบางทีเมื่อาทาไม่เสร็จท่าไม่ครบทีนะครับจนมันเลย ออกภาษาแล้วนะมันก็ในการกัะถินนะครับรตอนแรกการกัะถินปุ้มเนี่ยมันไม่ได้นี่สองกระถินไปอีสี่เดือนนี่ครับ อ, อ, อันนี้นะอันนายนี่สองกระถินนี่สี่เดือนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บข้าไม่ได้ใช่ไหมครับโดยที่ไม่ต้องอิศทางและทิกลับรวมแล้วได้สิบเดือ น, นครับสามารถเก็บข้าวนี่ไม่ได้สิบเดือนโดยที่ไม่ต้องทิศทารและทิกลับแล้วก็ไม่ต้องลำบากเลยนะนะถ้าตามไม่ทันบอกนะตรงนี้นนะ อ่าถึงจั่งถึงจั่นั้นไปนะครับเมื่อยังมีหวังที่จะได้ผ้ามาอีกอะผ้านั้นเหมือนะะเราเราต้องการจะทำใช่ไหมดีวอ น, นะครับคือหนึ่ <S <S แต่ว่าผ้ามันยังไม่พอนะแต่เรามีหวังที่จะได้ผ้าหนึ่ใช่ไหมทําผ้านั้นให้เป็นมุมให้เป็นมูลแล้วให้เป็นผ้าเดิมแล้วก็เก็บไว้รอผ้าใหม่ที่เราจะมีหวังที่จะได้มานะก็สามารถเข็ไมไว้ได้อีกหนึ่งเดือน รวมแล้วด้วยการทําอย่างนี้ก็จะได้เก็บรักษาผ้านั้นไม่ได้สิบเอ็ดเดือนโดยที่ไม่ตอ้องพิถาพินับจากนี้ไปจะเก็บผ่าไว้ไม่ได้แม้แต่วันเดียวครับถ้าเลยนิดเียวก็เก็บไว้ไม่ได้ว่านี้ไม่ไมเก็บไว้เพราะไม่ใช่เพราะว่าต้องเรียนพิถาพินาศจะเก็บไว้โดยที่แต่งเด็กออกไปนี้ไม่ได้แล้วครับแต่ทวนทวนให้นิดเนะครับ ในที่เดือนสุดท้ายของฤดูฝนของฤดูร้อนเมื่อกี้ใช่ไหมครัเป็นเขตของการแสวงถานะเป็นเขตของการแสวงหาได้ถ้าถึงเดือนสุดท้ายก็เป็นเขตของการทำใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเข้าเลือล่อนฤดูผลออกไปเนี่ยนะแล้วมันก็จะได้ฤ ด, ดูร้อนสองเดือนเมื่สุดท้ายนะตรงนั้นเลยครับคือเราแสวงหามาทําอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นผ่านฤู้ผนแล้วนี่แหละแต่ยางที่หาไม่ได้ แยกไว้ซับสร้างโลกเองได้เลยดูที่ไม่ต้องอาบัตเนี่ยเนี่ยแปลงนะที่สา ม, มารถเกิวดวิวอไว้ได้หรือไม่ต้องอาบัตก็ในกรณีผานกฝแหล น, น, นะครับเพราะยังไม่ถึงเข่งนครัมันก็เลยได้ท้ารีกว่าด้าบริหารสองเอนแบบที่ไม่ต้องบริารอะไรที่กลับพอเข้ามานนสามบตองเริ่ิหรเลยภนะานนสิบวันชายต้นสามภานิวันนะครับทีนี้บบนนนถา้าภานพัามบเนี่ย สมว่าผ้านั้นมันยังทําไม่เสร็จนะถ้ามันเสร็จแล้วต้องคภายในสิบวันแน่นอนแต่มันทํายังไม่เสร็จนะครับหรือว่าลืมทําหรือว่าผ้ายังไม่พอนะเราก็นั่งบริหารอีกสเดือนแล้วดูผลครับเก็บไว้นั่นก่อนหรือว่าทําให้เสร็จครับภายในนั้นแหละทีนี้เป็นต้องถ้ายังไม่เสร็จก็คือยังไม่มีการต้องอาบาัดเพราะว่าเก็บในแดดไม่เกินสิบวันถ้ายังไม่เสร็จนะนะ่ะเราก็เก็บไม่ได้นะครับีนี้ถึงสี่เดือนดูผลนั้นเนี่ย มันเลยเวลาแนนะเกิดได้การกัดถินก็เองนะครับแล้วก็ได้อันนี้สองกถินสี่สี่เดือนใช่ไหมครับมันก็รวมไปเท่าไหร่นั่นแหละสิบนะตอนแรกสองใช่มดูร้อนสองดูฝนอื้มจริงดูฝนเมื่อกี้เป็นสิบนะครับดูฝนสี่เป็นหกแใช่ไครับอันนี้สองกระถินอีสี่อันนี้สองกระถินก็คือสี่เดือนแล้วดูหนังนะครับ มันก็ได้เป็นสิ่งพอดีใช่ไหมครับทีนี้ถ้าว่าถ้าได้มันยังไม่พอที่จะทำจิตวิญญาณเพน่อได้ผลเน่เรามีหวังจะได้ข้างอีเราสา ม, มารถเก็บ ไ, ได้อีกนึงเดือนหรือไม่บต้องทานเป็นเปอเกับสิ่นี้แต่พอครบหนึ่งเดือนแล้วนะเก็บมันไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียวบอาเอ้ามันได้สิวันไม่ได้แล้วครับมันหมดแล้วนะต้อิฐฐานเไรนะครับข่าม้า ว่าการต่แหลกาผ้านี่แต่ยังที่ว่าหาผ้านี่ยังไม่เด็จใช่ไหครับที่เอาไว้ได้กี่เดือนใช่ใช่ใช่ครับถ้าทาเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องนัดผ่านไปในต้นต้นต้นฤดูฝครับตอนต้นต้งแต่ข้อคารมันเหือนครับต้อง่ข้อดีคนไหต้องนัดผานภายในสิบวันเลยครับกรณีที่ว่า ก็คือถ้าเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนนะถึงทำเสร็จแล้วมันเขาแต่ยังไม่ต้องทิชทานก็ไเป็นอัิครับเพราะเป็นเขตเพานั้นครับแต่บอเข้าในภาษาปุ๊บเนี่ยหมายความว่าถ้าพ้าดะต้องรีบทิชาเลยแต่ที่เกไว้ได้คือก่อนที่พาดยัไม่เสร็จคือบัรจะก้นอยู่เดือนก็เดือนเจจะเดือนแปดใช่ก็ถ้าถ้าเดือนเจ ครับออกขึ้นเดือนแปดด้วยคือไอเดือสดท้ายของเดือนย่้อเนี่ยมันจะกินครึ่งหลังของเดือนแปเขาเ็นเดือนจ็ดใช่ไหมเดือนเจ็ดไปครึ่งหนึ่งครึ่งหลังแล้วก็เดือนไปดอีกครึ่งหนึ่งครึ่งแรกใชไหมครับก็ได้เป็นหนึ่งเดือนในเด้อนยี่ล้อครับสุดท้าแล้วมันยังไม่ใช่ตัวเดือนะครับเปดือนยี่้อทั้งหมดนะครับเดือนยล้อมันไปกินมันไปกินเดือนเจ็ดครึ่งหนึ่งเดือนแปครึ่งหนึ่งครับ มันก็ได้หนึ่งเดือนทั้งหนึ่คร้อยนะครับถ้าเกิดว่าป้าเนี่ยต่แล้วความนุ่งเนี้ีพอพอหดฤดูฝนนีบก็ต้องพิการอย่างเดียวอ๋อทำขาดใส่ใส่ทำทำหมายเพาะว่าทำาดเสร็แล้วั้นก็าอางไม่ีนะี่นี่นี่นี่นนี่นีี่นีี่ มัดังเกินนะมำนดังเกินย่งงยะเนวันเลยเพราะกาดเดครับในสมัยก่อนเนี่ยาการว่าเมื่อก่อนเวลาเียร่เนี่ยเราเขใช้เขใช้ลายเส้าหาหรือว่าภาพวาดเนี่ยทำอะไรนะครับทำเาระโรือว่าไม่ใช่ผ้าอ่ากระโปรงแล้ว อ๋อครับเราเอาเป็นบริหารโจนไปเลยครับพื้นฐานบริหารโจนไปเลยอืมปัญหาครับใช้ได้ตลอดบริหารโจนเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนแล้วไม่เอาละหาคแล้วฝนเพราะว่าบริหารไม่ใช่สีด้วยหรือฝนใช่ไครับอันนี้ไม่ใช่เขียนแล้วแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ไมิหารบริหารโจนแทนก็ได้ครับใช้ได้ตลอดต่อไปนะครับอาบัตนะคําว่าโอเรน่าเจมาโศเศสโคินหาหนัง ความว่ายังไม่ทันถึงเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนนะครับนับตั้งแต่วันแรกของฤดูหนาววันแรกของฤดูหนาวดู น, นู่นแหละท่าพายุทะเลเดือนสี่นะฤดูหนาวมันสีฟ้านะครับดูนะตั้งแต่หลังมาลอยกระทงหนึ่งวันนะครับหลังมรอกระทงหนึ่งวันก็คือวันแรกหนึ่งค่ำเดือนสิบสองนะครับวันวเดือนเก้าที่ยี่สิบสองใช่ แล้วมีค่ำเดือนสิบสองนะครับอันนี้นั้นเป็นวันแรกเขาไงฤดูของฤดูหนาวนะครับมาจนถึงวันไหนนะก็มาจนถึงนะครับขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็นะครับอันนี้ฤดูหนาวแลก็กินมาถึงฤดูร้อนด้วยนะครับที่ไม่ใช่เดสุดท้ายเอาว่าฤดูหนาวสี่เดือนใช่ไหมครับฤดูร้อนอีกสามเดือนนี้นะครับเป็นสมัยที่ยังแสวงหาทานน้ำฝนไม่ได้ เขาเรียกว่าสมัยหลังสมัยหลังนะครับสมัยหลังไม่ได้ดูหนา ว, 4, นาว 3, สี่ดูร้อนสามเขาเรียแต่ถ้าพิสูจสมัยหลังถ้าช่วงเวลาตั้งแต่วันแรกของเดือนหนานจนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่สามของฤดูร้อนใช่ไหมวันสุดท้ายของเดือนแสนดูร้อนนะครับก็คืออะไรไอ้ตรงเดือนเจนะครับขึ้นสิบห้าคขาเดือนเจ็ดที่มันนี่นะเป็นเขตที่สมัยหลังไม่ได้ รวมแล้วเป็นเจ็ดเดือนนะครับคำว่าปรเิเยเสย่าความว่าในเดือนที่เป็นสมัยหลังเจ็ดเดือนเหล่านี้เมื่อแสวงหาผ้าน้าผนด้วยการเตือนสติบุคคลที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนาและก็ไม่เคยสาราประจับนะครับอันนี้จะต้องอา่านปฏิปิเกียบปาสิตีด้วยสิขาบทนี้นะครับเพราะว่าปเป็นการแสวงหาต่อสมัยนะ สติก็ไม่ได้เมื่อขออะไรนะครับไม่เป็นสตินะขอไปเลยเมื่อขอก็ต้องอ่านบทนิสกขียาป่าสติัาอัญญาตะการวินญาติสิกขาบทดเพราะเขาไม่ใช่ยาไม่ใช่ปอนาใช่ไหมเมื่อไปขอกรปุกจะไม่ต้องข้อนี้นะครับแต่จะต้องเพราะว่าขอจีหวังผไม่ใช่ยาไม่ใช่ปออยู่ือขีดการทีนี้เมื่อขอกับยาและปออนาเนี่ยไม่ต้องอ่านบทด้วยสิกขาบทนั้นะครับเพราะว่ายาปออนานี่ขอได้อแล้ว เราจะไม่ต้องอาบัดเพราะว่าขอจริงคเขาไม่ใช่ยากไม่ใช่โปรนาะไม่ต้องใช่ไครับแต่ถ้าบอกว่าต้องได้ศึกหาแบบนี้ครับเพราะว่าไปสมัยหาก่รสมัยนะถึงแม้เป็นยากเป็นโปรนาเราก็ขอได้เลยใชครับเราไม่ต้องคอนั้นแต่มันต้องค้อนี้เพราะว่ า, าสมัยหากล่อรสมัยครใช่ใช่กลับไม่ได้ถึงนะเนี่ยตอนเมื่อก่อนผมเข้าใจว่าไม่ต้องนะแต่ไปดูรีการท้านบอกว่าต้อง ถึงแม้ว่าคนนั้นขอหน้าเสียงาเราแหละแต่ติียวผ้ามันผลนะในการสวงหาก่อนสมัยนี้ไม่ได้ ย่านนะครับก็ต้องอ่นานตามสึกขาหมดนี้เน้รับไปสอนนะก่อนสมัยนะคําว่าโอรรนทมาโสเสโสกินหานังความว่าครึ่งเดือนแรกนะครับของเดือนสุดท้ายเรื่ ด, ร ด, ร ด, ด, ดูร้อนนะครับหมายควม่ามีขึ้นเดือนแรกซึ่งเดือนแรกของเดือนสุดท้ายเรืดูร้อนนะครับเข้ามาป่านนีึ่งแรกนะครับนี่เป็นขึ้ ออใช่ใช่ใช่ใช่คราวนี้เราพูดถึงครึ่งละเอาว่าเป็นเดือนสุดท้ายนั้นดูร้อนอไรนะครับครึ่งึเดือนสุดท้ายดูร้อนนะคืออะไรล่ะมันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนแปนะครับตั้งแต่ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนแถึงขึส้ายค่ำเดือนแปอันนี้เป็นครึ่งเดือนสุดท้ายดูร้อนนะครับคาว่ากตวันนิาอัลเซยะความว่าระวันี้นะครับอ๋อใชใช่ใช อันนี้นกล่องกล่องมาครึ่งแรกถูกแล้วนะมีแรกถูกแน่ไหมครับไม่ใช่ครึ่งหลังถ้าครึ่งหลังมัมีปัญหาคือเดือนสุดท้ายของเดือนหนึร้อเราแบ่งเป็นสองครึ่งใช่มไหอมีครับครึ่งแรกครึ่งหลังไอ้ครึ่งหลังนี่แหละที่เราสามารถเํามันถุงนึ่งนนี่น้แต่นี่เราไปทําแม่นุ่งห่มตอนครึ่งแรกนะครับเขาอะไรดูตั้งแต่เดืเจ็ดเลยทางพาะใช่ใช่ใช่ครับเดือนเจ็ดอะไรนี้เนี่ยระหว่างนี้เมื่อพิสูจน์ทำผ้าหน้ําฝน ถึงจะเกิดขึ้นโดยชอบทำแล้วเมือผมก่ อ, อกตั้งมณิสิเียป่าสิตรีน้อข้อนี้นะเหตุเกิดเป็นต้นครับสิขาบนนี้รผ้าเจ้าทรงปังว่าพวกวิสุทธวิบบธีในเมืองสามวัฏฏีทรงบัญญัติได้แล้วเพราะเหตุคือการสแสวงหาผ่า น, านั้งฝนก่อนสมัยมืองสุทีจักรพีบบ ฉับพัดพันฉับพัีพ่นน พ, กกนน พ, พ, พัดมอนกับเหมนกับกอไก่นะสิขาันนี้เป็นอาสาธานาบัญญัติพิจูนีเขไม่มีข้อนี้นะครับอันนี้มีเฉพาะของพิสู น, นะอนั น, นติกาไม่เกี่ยวกับการใช้นะครับกครไปสวายมหาหรือไปทากอนสมาเองนะก็โดเองนะครับใช้หุนไม่ยอมน ะ, ะอ น, นี้เป็นติกาไปตีนะครับติกาไปตีมัเป็นยังไง หมายความว่าก่อนสมัยนะครับตอนตอบสมัยเป็นตัวตั้งนะครับไม่งั้นเป็นก่อนสมัยอยู่เป็นตัวตั้งก่อนสมัยนะครับรู้ว่าก่อนสมัยสงสัยว่ามันก่อนหรือว่าไม่ก่อนเนี่ครับแล้วก็สําคัญสิว่าเป็นในสมัยนะใชครับแก็ไปแสวงหาหรือว่าทำให้มอันนี้ก็ต้องอ่านมาทั้งนั้นนะครับเพราะความจริเป็นก่อนสมัยนะ เหลือเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือนนะครับอันนี้ให้แก้นะแต่ไม่แก่เหลือเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือนแรกขึ้นเดือนนะครับอันแรกมันเป็นหนึ่งอันนั้นเป็นครึ่งนะครับเนี่ยนะที่สู่สําคัญว่าเกิดความจริงมันสามารถแสวงหาได้แล้วเพราเวลามันก็ว่าเหลือเดือนเดือนุดท้ายของเราดูร้อหรือว่าครึ่งสุดท้ายนะครับอันนี้มียน้อยกว่าอีกนะก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ไปสําคัญทิดว่ามันเกิน ยังไม่ถึงเวลานะหรือว่ามันความสงสัย ม, มันถึงไม่ยังไม่ถึงลา น, นั่นจิงมันถึงแล้วนะครับอันนี้ไปสมัยหาลูกผมก็ยังต้องบัดกรดนะครัเ <c oughs> ช่นเดียวกันเมื่อมีผ่านน้ำฝนอยู่แต่ก็ยังเคยกายแห้น้ำฝ น, นต้องบักรดเช่นเดียวกม่อม่านน้ำฝนอย่ัาแห้งน้ำฝนตอันเดายนมื่อผ่านน้ำฝนอยู่แก็ยังเคยกายแห้งน้ำฝน <c oughs> ต้องบักรด นี่เราเรามาดูอ า, าบัตนะอาบาอาหน้าสกันะทีส่สูไม่ต้องอาบัตเมื่ออาบน้ําในสระเป็นต้องครับมายนี้พูดถึงว่าการไม่ต้องอาบัตเพราะว่าไม่ใช่ผ่านน้ำฝนนะถ้าเรอาบน้ําในสระน้ำนะครับไม่ใช้ผ่านน้ําฝนก็ได้แต่ว่าไป อ, อาบน้ําในสระน้ำก็มีวิธีก็มีคํามเนียมนะอ่อนะครับเราต้องดูให้ดีนะมองซ้ายมองขวาให้ดีก่อนว่ามีใครอยู่แถวนี้มไหมครับ ก่อนที่จะแก้ผ้าออกนะต้องมองดีๆนะไม่รู้นะไอ้ที่เขาพูดถึงท่านจะไปหามน้าในศาลนั่นแบบว่าจะเปลุกกระหางน้าของเแล้วก็ลงไปใกล้ๆชายน้าหน้าแล้วค่อยถอดหมอนนะแล้วค่อยลงไปนะมันจะปอดท้ายท่สือไม่มีใครเห็นใช่ไหมตอนแรกคือเราดูให้ดีก่อนนะก่อนจะเพื่อว่าดูให้ดีก่อนนะครับแล้วค่อยเปลุกแล้วก็ลงไปครับมันจะมาเนี่ย ถอนใส่กายไกลเลยนะแล้วก็วิ่งแล้วก็เดไปเอาอย่างเงี้ยเลยครับงั้นไม่ได้เห็นนะครับบอกมาอ่นน้ำใส่แทนี่ไม่ได้ต้องไปใกล้ๆก่อนแล้วต้องรู้รายลอีนะครับแล้วก็ผ้าถูกขโมยไปผ้าหายอันนี้เราเกี่ยวกับว่าการนุ่มนะครับหมายความว่าถ้าเป็นพิสู่ที่มีจีวรถูกจรดชิงไปใช่ไหมหรือมีจีวรหายในหมดเนี่ยถึงแม้มันยังไม่ใช่สมัยนะครับ ก็ไปขอผ้านหนังฝนังมันเป็นผ้าอะไรก็แล้วแต่จนะไปคอ้องตั้นอยู่ก่อนนะครับให้บังอาได้ใช่ไหมอันนี้มันเกี่ยวผ้านนังผนเนี่ยก็ขอได้ในกรณีนี้นะครับเพราะมันมีผ้าที่จะหนหนุ่มแล้วนะมันต้องบังตาด้วยก่อนเดี๋ยวมันก็เลยเป็นอานณาบัติข้อนี้อนะที่สามสรารถสวงหารื่งคำเรื่องหงส์ก่อนสมัยได้ก่ที่ถูกขโมยไฟนั่งจงจริงไฟนี้ถ้าหายนะนุ่มเพราะเกิดอันตรายขึ้นอย่างนี้ว่า พวกโจรจะจับพวกที่ไม่มีผ้านะครับนี่นะเราผ้านักฝนเราทําให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันต้องนุ่มถ้าไม่นุ่มนะโจนจะจับตัวไปนะครับก็เลยจำไป็นต้องนุ่มถึงแม้ว่าถ้าจะไปแอบนะไม่แอบก็ได้นะโพนก็จ้องนยถ้าใครไม่นุ่มผ้านม่ได้จับตัวไปอย่างนี้ครับอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ก็ได้ถ้านุ่มนะท่านี้ไม่ถึงสมัยอ่ะแต่ว่ามีอันตรายโจนจะมาจับตัวอย่างนี ก็นุ่มก่อนสมัยได้แรกที่สุ้านเป็นต้องนี้ไม่ต้องอาบัดองคอาบัรองอาบัด น, น, นะครับอ่ก้อนสิษฐาบทนี้เกี่ยวกับการสมัยหามีองสามคือหนึ่งเป็นผ้าอาบนา้ำฝนเพื่อตอนเองของเราเองนะสองสมัยหาสมัยไม่ใช่เวลา มาสลายหาสมรรถสมัยนะสามได้มาเพราะการสลายหาครอบองศาก็ตั้งหวังิคารบทีนี้นะครับเพราไปหาเพื่อตนนะเกี่ยวกับารนุ่มมันก็มีองคศีเหล่านี้คือหนึ่งมีจีวร อ, อยู่หมายเขาว่าไม่ได้มีจีวรถูกจอนชิงไปจีวรหายหลังนี้นะครับมันก็ไม่ใช่นั้นที่ขอได้นะครับมีจีวร อ, อยู่อะไรสองไม่มีอันตรายนอะกจากโจนนะ สามพระอ่านนะ้ำฝนเป็นของตนเองนะครับของเราเนี่ยนะสี่นุ่มในเวลาที่ไม่หัวนุ่มเมื่อเขอบ่งสีก็เป็นอำนาจวิสเคียไปในสิ่งสารบนนี้นะครับเพราะในสิ่งสารบนนี้จะต้องได้สองกรณีใช่ไหมก่อนที่สมัยหางก่อนเวลาแล้วก็ทํานุ่มก่อนเวลาใช่ไหครับถ้าทํำปิดทั้งสองกรณีเลยก็ยังเป็นอำนาทั้งสองตัววิสเคีย ส, สองตัวอะไรสมฐานต้นต้นมีในต่างๆแล้ว ในโทวาปณนสิกขาบทเป็นยังไงวะปะนาสิกขาบทสิกขาบทที่ว่าด้วยการอะไรนะใช้พิสุนีผู้ไม่ใช่ยาติสักอวอร์ให้นะครับมันก็จะเป็นองค์เท่าไหร่นะครับองสองนะครับองสอง<ม>ก็คือกายวาจานินิการเ ร, ร, รื่ใช่ใช่ใช่ไหครับกายวาจากายวาจาจิตนะครับ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหการไม่ใช่ของเราที่ไปไทไปไเป็ น, น, น, นไปรมธานหกเลยนะครับเป็นประานนั่งหกเลยไม่ได้เพราะนั้นนะครับผเพราะว่าสึงว่าถ้าเรามีการเอาว่าสายที่ไม่มีสิตวิญญาณนะคือเราไม่รู้ว่ามันนอกสมยัยเราไม่คาดจิติดว่าในาสมัยนี้หรือเป่าเราสบายหาง ก, ก็โดนนะถ้ามีการแล้วก็สบายหาด้วยการอื ไปเตือนหรือไปขอโดยใช้ไม้ใช้ําไม้ทํามือหรือออย่านี้เวลาต้องการข้ามต้องผลเนี่ยไปขอไปเตือนทขาอย่างนี้ครับในการถ้ามาอาจารย์ก็บอกไปเลยใช่ไหมทางการได้มาอาจารย์ก็บอกพูดด้วยทําไม้ทํามือด้วยอย่างนี้นะครับแต่จิตไม่รู้นะข้าวจะว่าในสมัยนั้นะครับอันนี้ก็เป็นอาบัติอย่างแต่ถ้ามีจิตด้วยถึงั้งรู้น่นแหละใช่ไหมว่ามันไม่ถึงสมัยนอกสมัยอยู่นะก็ไปขอมาหรือว่านุ่งหมนี่นะครับก็เลย ก็เลยได้สมัาเลหกเลยนะเป็นกิริยาเพรกระทําการสมัยหาเรูกหก่อนสมัยนะครับโดนสัญญาไม่โมกไม่รู้ก็ไม่พ้นนะครับอจิตกะนะจะรู้ไม่รู้ไม่ต้องบัตทั้งนั้นนะครับปณิตวัชชาการยุกรรมก็ได้วัจีกรรมก็ได้เกี่ยวกับสมายหานะวัจจีกรรมเนี่ยใช่มมันไมันจะเกี่ยวกับเลขหกเลขหก็เรื่องกายนะครับมีจิตสามวิทยาสามดังนี้อะไร จบการอธิบายวัตถุการศึกษาสิ่งข้ามวมดเจ้าครับยา แล้วก็ผิดด้วยนะเอาผ้าขนุนมานุ่มนะครับถ้าสีเนี่ไม่ใช่สีของพระนะนุ่มไม่ได้เลยแล้วถ้านุ่มก็นุ่มแบบคาราวานอีกใช่ไหมมานุ่มปริมณทนแบบไม่ได้หรอกเพราะผืมันเล็กใช่ไหมครับมันจะโดนหลายกรณีนะถ้าว่าสีมันไม่ได้นะมันก็จะโดนเรื่องสีนัดข้อนะครับมันก็ต้องรู้ก่อนถ้าว่านุ่มไม่ได้ปริมณฑลแบบไม่ไแบบรอกเพราะนมันเ็กใ่ไหมครับนก็จะโดนรูปปั้ในเสกียวัฒนาอีกค้อนะครัะ เน่ก็ไม่ได้หันกันแ่นีเสียงอะไรนะเกิดเป็นนุ่งผ้าแล้นชมพูอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ตอนใส่ผมบ้ยใหม่เนี่ผมนุ่งนะผมไม่รู้เรื่องหรอกถ้าจะว่านุ่งได้ละครับจะนุ่งผ้านล้วฝนตีชมพูของเพื่อนคนก็สีเขียว <c oughs> แต่ว่าจิยินดีในแพทย์ค า, าราวาขึ้นมาใช่ไหมยอมรับแล้วก็ยินดีว่าโอ้ราก็หลอมอกันนะ <c oughs> แพทย์คาราวาของเราเนี่ยนุ่งผ้าของมนันก็หลอนีครับมีใจยินดีนะ ยองเลาเนเพศคาว่าอย่างทีมานั่นนะขายมันเป็นเนได้เลยนะถ้าเน่เนี่ยข้าขเลยครับแค่ีเองก็ขาใช่แต่ถ้าจะมาบวใหม่ก็คือต้องมาขอสัาคอบวใหม่นะจะมาห่มสงวงจีว่าอะไรเอนี้ไม่ได้พอมึนขาแล้วเือของเนี่ของเน่นันะครับแต่ละของท่ายไม่เข้าไปนามที่เกาะนะรอย่างที่ว่าเลยพีก็ป็นควรอยู่แล้วนะยิ่ที่ามโอนี่อาจารย์อยากจะไม่ให้ใช้นุ่มเลยนะครับ มันเป็นตั้งอยู่เนี่ยมันจะใหญ่ใหญ่มากเลยนุ่มน่มแล้วเนี่ยมันจะตกสตได้ดีันเข่าเข่านันะมันเข่ไม่ได้ครับมันมาโดนเสกเทียวนะยังไงมันไม่ได้บริมวลทนอยู่นะใช่ไหมครับครับนี่และความจริงสีมันไม่ได้เป็นอย่างสีไม่ี่อยได้ถ้าเป็นสีออกสีเหลืองถ้ามันอ่อยก็ไม่ได้นะ ไอ้หอยไอ้น่ะเหมือนกับไอ้ฝากละอุนันมันเขาไม่ได้เลยข่ได้ไหผมใช้่้ไม่ใช่หน้าเหมือเหมืออะไรนะอของพี่น่ะอ๋อของพี่สีไม่่ของานี่อผนี่แหลมไ่ใช่ไหมหลาเําไม่สีน่อะไรครับย่างเลยก็พอได้ครับแมขได้ไม่ในมมันออกีนี่ออกนีนี่ได้ได้ขี อ๋อไม่ได้ไม่ได้มันไม่ใช่จีวอนใช่ไหมมใช้ได้ไม่เป็นไรเราทีเดียวไปงหลมันไม่ใช่คือเราเอามาเช้ตัวได้เป็นไรครับมันจะเอามานุ่มผมนะเอามาเออเอามานุ่มแทนสมองเนี่ยไม่ได้เพราะฉ้นอย่างที่อบมาไหนๆโดนเป็นเบะก้านพี่นะงหลังี่่ใช่พระเทพพิติีอันนี้ไม่ได้ีไม่ได้ไม่นี้ไม่ได้แต่ถ้าสีสีแบบออกสีน้าตาลนะที่เราใช้เนี่ยมันจะมี ไม่ใช่เหลือนของน้ำตาลแดงๆนั่นะครับนั้นก็พอได้อีก่นะเพราะว่าจีวอวสีลักษณะนั้นก็ทได้แต่ว่ามันยังไงมันก็ไปโดยสียพียัติข้อที่มนุุ่มไม BLACK ่ได้บปริมันทองนะครับถ้าจะนุ่มได้เราควรจะทำผ้าผ้าอะไรนะฐานโจทุนในท่าพีนะครับทาเป็นผ้าช่นหน้าเนหน้าหรือวา้าเช่นห้ช่นปเชตัวก็แล้วแต่เช่นตัว้าครับแต่เราแม่มันนมันนุ่นะ มาผมกันหนาหน้าใช่ไหมใช่ไมมดูไม่ ไ, มไมคุยแล้วนะครับผมไปเจอที่หนึ่งแล้วไปเจอพ้าไปวัานหนึ่งนะครับท่านก็นุ่งผ้าขามาตัวเดียวนะผมงงว่าผ้าหรือว่าโยมบางทีไม่รู้นะเอ้าแล้วลองไว้คิ้วด้วยนะครับและคุณนุ่งผ้าขามาตัเดียวเดินไปรอบมัดโยมก็จะรู้หรือเปล่าว่าเราเป็ผ้าหรือว่าเป็นโยมใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเอา้าโยมก็ไว้ผมทรงอะไรนี้ได้เนียน่ยเห็หม ทร ง, งอะไรนะนะส ก, กินแพสนั่นแหละมังงงแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นไทยนะครับเพราะว่าไอคอนุ่มของผมเหมือนของคาราวานะ พ่อแม่หรือว่าผ right? right? no ้าถงผู ing, like, wanted, ้หญ okay. ิงอะไรนั่นนะก็เหมือนของไทยถ้าติดกันเงินหืนแล้วก็เหมือนสลมหรือว่าอะไรนะผ้าถุงผู้หญิงไปเลยใช่ไหมคเนี้ยไม่ได้การนั้นไม่ได้การเหมือน้าเหมือนผ้าคารบ่ครับเนี่ก็เหมือนของผ้าแหะต้อแบบของผ้าหลนะที่มันจะผ้าคาะว่าแล้วสมัยนี้โจมก็แบบผ้าผ้าแบบง ไม่ีหท่าก็ไม่เป็นไรเนะเพราะว่าเขามันดีแบบท่าก็อาจจะมีโทษเขามันดีแบบก็ไม่ได้นะก็จะเมอั้นมนี่้เยแต่วบเหมือนต่อไปนะครับตอนที่เรียนูาก็ยดีมแต่ท่าเรนไปรู้ว่าเราาก็งกนอยูับเรเราไม่ไม่ต้ไปรับเรก็ไ คืว่าข้าตัวเองน่ะยินดีถึงว่าแค่คือยินดีแล้วก็มีการยอมยอมรับใพ่คาราานดวนว่าไ่คาาวานเราต้องรอเื่อร อ, อ, อดีนะสตคือพอมาน้นนะครับโนแล้วแค่ยินดีนี่เฉยเไม่เป็นต้องยินดีถึงคาราวานนมันมีใจน้องแบบว่าไควานต้องเราเปโยมมีหลออืนกันนะมาหนึงน่งขมนี้นะคะ ร, ะบบรับก็เป็นลักษณะนั้นจ้าถึอแม้มเซอร์จูนม่รู้ว่าเป็น ขาก็คือมามันพอะามาได้ข้าวเได้แต่แต่จำารู้ต่ก็ยังตอนนั้นยไม่ถือวาเป็นกเตน้นผมายมอทาว่าก็โด้ครับถึงไม่รู้แต่ไปทำนี้ก็ด้ไม่ทนหรอกมันมีเง่มุมนิ่งนเดียวตอนน้ก่อนเป็นยไที่โดนรบเพราะว่าจะอ้างว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้ กวามใจที่ไปเิียนให้คารวานั้นมันมีมันทําให้ขายความเป็นเรียบร้อยนะครับจากที่เอามานุ่งมั่งมั่นเมเน่เนี่ยมันก็เป็นการถ้าอย่างนั้น เมื่อก่อนมีนเนโอ้โเขียงมากนะโก้รื่อรัแพนอะไรเลยแกไม่ได้นุน่งนะแแผ้าของมา้าซะหน่อนแกเอาผ้าพ่อหัว น, นะแล้วก็เดินไปการทนาอะไรเงีเ้ยโอ้เขียงเลยได้ยินในแพคว่าหรือเปล่าได้ยินครับเี่ยอะไรนะไม่แฟนยมแแกแกไม่ได้ยินแกยินดีใ่แต่แกไม่ได้ยินในแพนคาาว่านะครับเก่ยวนนี้ว่าตัวองหอนะแต่ก็ยินดีว่านะตัเวเอเป็นเนอยู่ งรู sí, Me, aky, no no. ้สึก so ว่าเป็นยเป็นเนอยู่นะไม่ได้มีใจน้องเป็นเนเป็นคาราว่าแล้วก็ยินดีอยางนั้นนะครับยังรู้สึกว่าเองเป็นเนยต้ยินดีในเป็นเนที่สอย่างนี้ว่เป็นอไรนะครับถ้ามีทุนี้ันอย่าง้เป็นอะไรเวลาถ้าเดินไปมร้อนๆแล้วท่ามีแต่รถมีทาอากาศกต้องมาว่องไม่โนือเลยนะครับนื่นเป็นอะไรทานี้เป็นอะไท่านไม่ได้ก็พันก็ยังไม่ไ ถ้าไม่ไหวใจใจให้ดีแล้วกัน็อกเป็นาว่าเป็นอะไรดีานนเต้องหรือว่าใจนั้นใจมันน้อมไปยินดีในท้ายข้าวิหารตอนนั้นน่ะเขาจอาเป็นคาาว่าแกจะเอาเป็นเนมันต้อูใจหัวเนยนะครับตนนี้น่าจะไม่ได้ใช้ใจ้ไม่ได้ เขาจะรู้ไองว่าเนี่ยเขาเขาจะรู้สิ่งยังไงนะครับนี่นะครับคนเขาขายบางทีททลำากนะถ้าวันที่เขาไม่ได้ศึกษาในในหรือว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้แนะนำบอกกัางๆนี่ครับมางทีผ้าก็ทนะกานะนุ่นผ้ของมาแหละพ่อไม่รู้จรงๆครแต่ผ้ามันดีกว่าเนยเยอะเนยก็ยกไม <ül üyor> ่ขายง่ายเป็นเนยมันเสี่ยงนี่ว่าสนะามเนยสมบูรณ พรานข้าได้สอดจากตวจากต้นไม้ข้าวพระบาตุขาก็รวบรวมมือยูนี่นะของยูปัญญาข้อนี้ก็ผ่